เขารบธรรมเขารบวินัยนิสัยที่เป็นคนทำอะไรทำจริงท่านจึงระลึกเตือนตนเองว่าพ่อแม่ไม่ได้ติดตามมาแนะนำมาคอยตักเตือนเราอีกแล้วเราต้องเป็นเราเต็มตัว ด้วยเหตุนี้เองนับแต่วันเข้านาคเป็นต้นมาท่านจึงฝึกฝนเรื่องการตื่นนอนใหม่ให้สะดุ้งตื่นทันทีที่รู้สึกตัวขึ้นมาท่านเคยเล่าว่าครั้นบวชแล้วก็ตั้งใจเอาบุญเอากุศลจริงๆพยายามรักษาศิกขาบทวินัยให้เป็นไปตามหลักของพระอย่างแท้จริง ขณะที่เป็นพระอยู่นั้นจะไม่ให้ต้องติตนได้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดจนกระทั่งถึงวันลาศิกขาบทนี้เป็นความคิดเบื้องต้นครั้นเวลาก้าวเข้าไปสู่วัดแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างนั้นจริงๆ ไม่เคยทะเลทลหลออกนอกวัดไปเที่ยวเตร็จเร่ร่อนยังสถานที่ต่างๆดังเพื่อนฝูงที่มาฝึกหัดนาคเพื่อจะบวชเป็นกันแม้ในการเรียนทางปริยัติธรรมก็ตั้งใจศึกษาจริงๆอยู่อ่านหนังสือจนดึกดื่นเที่ยงคืนตีสองบ้างตีสามบ้างเป็นประจำ ตีห้าบ้างเป็นบางคืนแต่ก็สามารถตื่นทําวัดเช้าและออกบิณฑบาตได้ทันทุกครั้งไปไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ให้ขาดทําวัดสวดมนต์เช้าเย็น รวม ก, กันกับหมู่เพื่อนพระเนนแม้แต่วันเดียวแม้บางครั้งมีกิจนิมนต์ข้างนอกก็กะเปลี่ยนขอให้ท่านพระครูอาจารย์เจ้าอาวาสรอทำวัด ร, รวมพร้อมกันเพื่อไม่ให้ขาดตามที่ตั้งสัจจะอธิษฐานนั้นไวสำหรับการทำวัดสวดมนต์ส่วนตัวของท่านจะทำอีกครั้งหนึ่งที่กุฏิของท่าน แปงบันดาลใจให้ฝักใฝ่ภาวนาท่านเล่าเหตุการณ์ในช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่ร่มกาสาวพัดไว้ว่าท่านพระครูท่านชอบภาวนานะท่านให้เราไปอยู่ในโบสถ์ด้วยกัน ท่านอยู่เตียงนอนทางหลังพระพุทธรูปพวกเราก็นอนในโบสถ์นั่นแหละแต่เป็นหน้าพระพุทธรูปออกไปโ น, น่นประตูออกโ น, น่นพวกนาคสองสามคนนอนอยู่โ น, น่นท่านสวดมนต์เก่งนะแล้วก็ภาวนาตื่นเช้าออกมาตั้งแต่ตีสี่ท่านออกไปเดินจงครมที่หน้าโบสถ์ มันโล่งหมดนะแต่ก่อนเราเป็นนาคเราเห็นอยู่ท่านออกไปเมื่อไรเราก็เห็นอยู่เวลาท่านเดินจงกรมเราคอยสังเกตดูอยู่เมื่อบวชแล้วเราจึงเดินจงกรมแล้วไปถามคำภาวนากับท่านเราไม่ลืมนะเพราะเราชอบภาวนากระผมอยากภาวนา จะให้ภาวนาอย่างไงเราถามท่านเออให้ภาวนาว่าพุทธโธนะเราก็ภาวนาพุทธโธเหมือนกันแหละท่านก็สอนเท่านั้นเราก็ไปภาวนาพุทธโธด้วยความเลื่อมใสพอใจในการภาวนากลางคืนดึกๆจะลงมาเดินจงกลมทุกคืนนะ เวลาจะหลับจะนอนจะเหลือเวลาไว้คือหยุดเรียนหนังสือหนึ่งชั่วโมงเพื่อนั่งภาวนาสมมุติว่าจะพักนอนตีสองตอนตีหนึ่งจะหยุดเรียนหนังสือแล้วชั่วโมงนั้นแหละเป็นชั่วโมงภาวนาเป็นประจำนะถึงเวลาก็ลงมาเดินเงียบๆจากนั้น ก็นั่งภาวนาแล้วก็หลับเกี่ยวกับเรื่องภาวนาและกรรมฐานนั้นท่านมีความเคารพเลื่อมใสมาแต่เดิมแล้วแม้เริ่มบวชที่แรกที่วัดโยธานิมิตแห่งนี้หากเห็นพระกรรมฐานมาพักด้วยท่านจะต้องรีบไปถึงก่อนเพื่อจะได้พูดคุยเรื่องธรรมะเรื่องจิตกับท่าน